อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะ่ะพอถึงเวลาตีห้าของวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันในเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2554ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น5้าค่ำเดือน11ปีเถาะนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคะ่ะมาราฟังการสนทนาธรรมะซึ่งเดนเองก็จะ ทำหน้าที่เป็นผู้ที่จะสอบถามซักถามพระอาจารย์ไพบุญรอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ที่เป็นองค์ป่าถกูกหรือว่าเป็นองค์วิทยากรประจํารายการธรรมารารุนทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงของการสนทนาธรรมหรือสักขะชากันนะคะท่านพระอาจารย์ไพบุญรอภิปุโนนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมตามพระโอษฐ์ตามพุทธโอษฐ์นะคะของวัดป่าดอนไหายโศก ค, ค่ะแล้วท่านก็ เป็นลูกศิษย์เอของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสอาดทิโทภโสหรือท่านพระคุณสิษย์ทีป่ภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหโศพอำเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธานีด้วยนะคะพบกันในเช้าวันนี้ก็อย่างที่ได้เกลิ่นให้ทราบแล้วเมื่อเช้าเมาื่อวานนี้นะคะว่าจะขอหยิบยกเรื่องกรรมมาเสนอท่้นผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก็คิดว่าหลายท่านพอฟังคําว่ากรรมนี่ก็จะคุ้นเคยนะคะ แต่วันนี้จะมารู้กันให้แน่นอนเลยค่ะว่าตามพระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของกรรมจึงก็จะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้อันนี้เป็น พระคถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ขอนําทผูฟังมากราบน้ำพการรับฟังคําชี้แจงในรายละเอียดจากพระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนกันเลยนะคะกราบน้ำสการเจ้าค่าพระอาจารย์เจ้าขาเชนพรานทูเจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาชี้แจงเรื่องของ<ำ>พระคถาที่เกี่ยวกับกรร ม, มนี้เลยนะเจ้าค่ะที่มูลเจ้าค่ะที่คุณเตือนใจพูดไปเมื่อสักครู่ตอนแรกนะที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นมีกรรมเป็นของของตนเนี่ยอันนี้เป็นคําที่เราส่วนใหญ่จะใช้สวดกันอยู่เป็นประจำแล้ว ถ้าใครสวดมนต์เป็นปกติเนี่ยจะมีบทที่เรียกว่าแผ่เมตตาก็จะมีคํานี้อยู่นีทุกคนมีทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกรรําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยที่อาตมาจะพูดในวันนี้เนี่ยคือจะเอาพระคถาบทนี้ที่พระเช้าได้อธิบายไว้เนี่ยมาขยายความให้ฟังในร า, ายละเอียดคือมันปรากฏเหตุจากมีคนเคยคมาหาอาตมาเขาบอกว่าเขาเนี่ยวิ่งออกกําลังกายไม่ได้หรอกเพราะว่าพัานธุ ก, กรรมเขามาเป็นอย่างนี้ แม่ก็ไม่ไม่ค่อยสบายแล้วก็พ่อก็ไม่ได้เคยออกกําลังไม่ได้เป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยก็เลยทําไม่ได้เนาะต้องไม่สามารถออกกําลังกายได้ก็เลยป่วยไปอะไรต่างๆอย่างนี้ไปอ่นะเจ้าค่ะพอเขาพูดเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยคํานี้มันก็แวบขึ้นมาเลยคุณเตนใจกรร ม, มะพันธุกรร ม, มพันธุ์เนี่ยก็คือมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ปริชาบอกว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะไม่ใช่มีเป็นกรรมพันธุ์เอาฟังง่ายๆหมายความว่า ใครเคยมีไหมที่อพ่อนะเป็นหมอแม่ก็เป็นหมอแต่งงานกันนะลูกออกมาเรียนหนังสือไม่ได้เรื่องเลยมีนะคุณเตือนใจธรรมามีเพื่อนเออมีหรือว่าพ่อเป็นข้าราชการระดับสูงแม่ก็เป็นข้าราชการระดับสูงแต่ลูกออกมาเนี่ยนะโอ้ยทํางานอะไรก็ไปไม่รอดสักอย่างหนึ่งนะทำข้าราชการก็เป็นอันดัานก็มีน่ไหมแล้วไปทํางานเอกชนก็ไม่ได้เรื่องเป็นอันดับานก็มีเราก็เห็นมาแล้วนะหรือว่าคนพ่อเป็นชาวนาแม่เป็นชาวสวน หาเช้ากินขําลูกออกมานู่นเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองมีเห็นเยอะแยะถูกไหมชอค่ะอย่างนี้มันกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นพันธุกรรมเหรอใช่ไหมไม่ใช่พันธุกรรมแน่นอนอบางคนบอกว่าแม่นี่โอ้ไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลยความรู้ความเรียนไม่มีน ะ, ะเก่งเลขก็ไม่เก่งไม่ต้องพูดถึงเลขอะไภาษาไทยยังเขียนไม่ได้อย่างนี้อานออกนี่ก็บุญแล้วแต่เขียนไม่ได้นะแต่ตัวลูกไปเป็นหมอมีนะ เพื่อนอาตมาสมัยเรียนอยู่มัธยมอ่ะมาจากเชียงใหม่แล้วก็เป็นชาวเขาด้วยพ่อแม่เขาอ่านออกอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นั้นะแต่ว่าตัวเองเรียนจบด้วยการไปเรียนต่อเป็นหมอก็มีเราก็เห็นแล้วนะ <จบ S 1> มันไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมพันธุกรรมพันธุ์ทนะุนะกรรมพันธุ์ทุตรงนี้คือการกระทําของเรากรรมคือการกระทํากรรมคือเจตนานะพระเจ้าเราบอกว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม นะเพราะนั้นคุณตั้งจิตไว้ที่ไหนละ่นะก็การกระทำเราก็จะพุ่งไปที่นั่นนั่นแหละเป็นเผ่าพันธ์ของเรานะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำคนขี้เกียจเนี่ย น, นะคุณเตือนใจเขาก็จะมีข้ออ้างในการขี้เกียจอยู่ได้ตลอดเวลามีมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพระรูปหนึ่งเป็นพระที่ขี้เกียจพระอีกรูปหนึ่งก็เป็นพระที่ขยนันสมมตุติเดินทางอยู่อย่างนี้ คนที่ขี้เกียจเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้เดินทางแล้วเหนื่อยนะไม่สามารถทํำ ใ, ในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เอางั้นวันนี้เรานอนพักสัก่อนอย่างนี้นะเพราะเหนื่อยนะส่วนคนขยันก็บอกว่าโอ๊ยระหว่างที่เดินทางอยู่นี่มันทําในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้นะมันต้องเดินทางทํารุ่นทนํานี่เอางี้ตอนนี้เราพอจะว่างแล้วเรารีบทําความเพียรก่อนอย่างนี้ในขณะที่อีกคนหนึ่งอีกเหตุการณ์หนึ่งน ะ, ะเดินทางมีการงานจะต้องทําอยู่ คนที่ขี้เกียจเนี่ยก็จะบอกว่าโอ๊ยทําการงานแล้วมันไม่สามารถทําในใจซึ่งคําสอนได้หรอกเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ทํางานแล้วตอนนั้นก็เหนื่อยด้วยงั้นตอนนี้เรานอนพักก่อนนะส่วนคนที่ขยันเนี่ยก็จะมีความคิดว่าโอ๊ยทํางานแล้วมันเหนื่อยนะมันไม่สามารถทำในใจซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เอางี้แล้วกันเรารีบทําความเพี่ยนตอนนี้ก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้น <Okay. S 1> ะมีทุกเหตุ ก, การณ์อย่างเอาป่วยอ่ะคนป่วยเรามีไขเ้เล็กๆลกน้อยเกิดขึ้นอย่างเนี้ย คนขี้เกียจก็จะอาศัยตรงนี้เป็นข้ออ้างในการต้องต้องนอนต้องพักนะแต่คนขยันเขาจะมีความคิดว่าอุ้ยอาภาษนี้มันอาจจะลุกรามได้เงินเรารีบทําความเพียรก่อนรหรือว่าหายจากการเจ็บไข้ามาใหม่ๆบ่วยหนักเงี้ยต้องนอนหยอดน้เข้าต้มไปอยู่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะก็ไม่สามารถทําในใจซึ่งคําสอนได้เนี่ยคนป่วยก็คนขี้เกียจเนี่ยก็จะมีความคิดว่าโอ้ยเพิ่งหายมากลับมาใหม่ๆ ถ้าเผื่อว่าไม่พักนี่เดี๋ยวมันอาจะกลับมาอีกอยากกันั้นเลยเรานอนก่อนดีกว่าะเจ้าคแต่คนที่ขยันนะก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยเราเพิ่งหายจากไข้ไม่นานตอนป่วยไข้นี่ทําความเพี่ยนไม่ได้ถ้ามันกลับมาอีกนี่เราจะยิ่งทำความเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นตอนนี้เรารีบทําก่อนว่าอย่างนั้นคุณเป็นแบบความคิดนี้ไปคนละทางเลยไปคนละทางเลยเหตุการณ์เดียวเกิดขึ้น่ะเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นอย่างเศรษฐกิจไม่ดีหรือเศรษฐกิจ เศรษฐกิจดีก็แล้วแต่นี่นะในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเอาช่วงเศรษฐกิจตอนนี้อาจจะไม่ดีเนี่ยคนที่ทําเงินได้มีไหมคนที่รวยขึ้นมีไหมก็มีนะคุณเตือนใจไม่ใช่ว่าทุกคนจะจนหมดไม่ใช่ทุกคนจะโดนผลกระทบหมดเพราะฉะนั้นมันเหตุการณ์เดียวกันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเลือกนะที่จะตอบสนองอย่างไงได้นี่แหละคือเจตนาของเรานี่แหละคือกรรมของเรากรรมพันธุนะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย นะมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยไม่ใช่ญาติพี่น้องนะคุณเดินใจเราไม่มีเงินเรามีปัญหาจะพึ่งญาติพี่น้องบางทีญาติพี่น้องก็ให้เราพึ่งไม่ได้แต่แกรรมเราเนี่ยพึ่งได้นะเราพึ่งอาศัยกรรมของเรานี่เองเจตนาของเรานี่เองแล้วไอ้เจตนาเนี่ยนะจะมีหลายคนที่ <c oughs> เกิดมาถามอาธรรมาเหมือนกันว่าเนี่ย <c oughs> อย่างขับรถชนสุนัขอย่างเงี้ยหรือว่าทําอะไรฆ่าสัตว์ไปสัตว์ตายไป แล้วฉันไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยมันจะผิดไหมมันจะบาปไหมอย่างเงี้ยอย่างท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยขับรถชนสุนัขอย่างเงี้ยนะชนขามันหักไปสามขาอย่างเงี้ยเหลือขาเดียวกระดอกกระแดกไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็มามองหน้าเราด้วยนะหมาตัวนี้มันอาจจะคิดแค้นเราเออหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าก่อนที่มันจะตายไปมันจะมาปลุกกรดเราอย่างเงี้ยนะ่ะเอ๊ถามว่าเราเราไม่ได้เจตนาอย่างนี้เนี่ยจะเป็นกรรมไหมจะบาปไหม <Okay. S 2> ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ถูกจึงจะอธิบายเรื่องกรรมตรงนี้สักนิดหนึ่งนะว่าคำว่ากรรมเนี่ยกไก่กรอเรือสองตัวเนี่ยรอหันแล้วก็มอม้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเจตนาเนี่ยคือกรรมนะเจตนาทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเป็นกรรมหมดนะ <Okay. S 2> ถ้าเรามีเจตนาอย่างไรก็จะได้ผลของกรรมนั้นทีนี้กรรมเนี่ยเราต้องเข้าใจอยู่ในสี่ลักษณะลักษณะแรกเนี่ยคือลักษณะการเกิดของกรรม กรรมเนี่ยเจตนาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีผัสสะถ้ามีการกระทบทางตาอย่างเช่นเราดูหนังอย่างเงี้ยหรือมีคนมาชมเรานะพูดดีๆหวานๆกับเรามีผัสสะแล้วนะมีสัมผัสเกิดขึ้นเราจะมีเจตนานะถ้าเรามีเจตนาว่าเฮ้ยนี่มันจะมันไม่เคยพูดดีอยู่ๆมันมาพูดดีมันจะมาขออะไรหรือเปล่านะนี่ก็เจตนาแบบนบบึงนี่จะเป็นกรรมของคุณนะหรือถ้าเรามี จ, <ะ>จิตที่เป็นมีเมตตานะ อ, อ, อนุโมทนากับเขาอันนี้ก็เป็นกรรมของเราเป็นเจตนาของเรานะ เพราะนั้นผัสสะเนี่ยจึงเป็นเหตุให้เกิดกรรมนะให้เกิดเจตนาขึ้นแล้ววิธีการต่างๆของกรรมเนี่ยมันก็มีนะก็พระพุทธเจ้าใช้คาว่าประมาณต่างๆของกรรมนะประมาณต่างๆของกรรมเนี่ยแบ่งเป็นสมมติอยู่สีห้าอย่างอย่างแรกก็คื อ, เ, อเจตนาที่เมื่อทำแล้วเนี่ยจะต้องทำให้ได้ไปรับผลในนรกนะอย่างที่สองคื อ, อลักษณะของ การรับผลของเจตนาที่จะให้เกิดในสัตว์เดรัจฉานบ้างในมนุษย์บ้างในเทวดาบ้างมีทั้งหมด4่อย่างอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างอย่างสมมติเราทำบุญสักอย่างใดอย่างหนึ่งมีเจตนาเป็นกุศลใช่ไหมบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ได้จะรับได้ในภพมนุษย์อย่างเช่นว่าเรารักษาศีลอย่างเนี้ย่พระาบอกว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อโพคสัพ เอ๊ะทำไมฉันก็รักษาศีมาตลอดนะไม่เห็นรวยขึ้นสักทีนะ <S 2> <S 2> เอเฮ้ยมันเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจว่าสีนที่เป็นไปเพื่อโภคทรัพย์เนี่ยเป็นโภคทรัพย์ที่ละเอียดนะเป็นโภคทรัพย์ที่ไม่ได้มีอยู่ในโลกมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นอาหารที่ละเอียดมีความละเอียดเลือดหรูอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเอาอย่างสุนัขอย่างเงี้ยวลามาันจะรับประทานเนี่ยนะอาหารที่อร่อยที่สุดของสุนัขเนี่นะคือกระดูกไก่มีเนื้อติดอยู่นิดหนึ่ง โอ้ยมัน จ, จะกินอย่างอร่ออร่อยมากเลยแท้อย่างดีมากเลยนะแต่ถ้าเราเอาก๋วยจั๊บไปให้มันกินเนี่ยนะมันไม่อร่อยด้วยนะหรือเอาข้าวแกงหรือว่าเอาหูฉลามหรือว่าเอาอาหารอะไรที่มันเลิศหรือลังการของมนุษย์เนี่ยไปให้มันรับประทานเนี่ยมันไม่อร่อยด้วยเพราะว่านั่ น, ค, น, น, นคือลักษณะของความอร่อยในภพนั้นจะเหงื่อไหมแต่ทำไมมนุษย์ไม่กินกระดูกไก่มีเนื้อติด น, นิดหนึ่งที่คลุกดินด้วยเพราะมันไม่ใช่อาหารอของมนุษย์มันเราไม่เห็นความ เริ่ดหรูอลังการในสิ่งนั้นนะนะ <Okay. S 1> ลักษณะนี้เป็นต้นซึ่งอาหารของเทวดาเนี่ยโอ้โหละเอียดประณีตนะไม่ต้องเคี้ยวไม่ต้องย่อยนรสชาติอยู่ในปากเป็นอาหารทิพย์อิ่มทิพย์ด้วย okay. Okay. อย่างนนี้ะ่อยางตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างนรกอย่างเงี้ยไฟที่มีความร้อนระดับที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเนี่ยมีอยู่ในนรกในแต่ในโลกมนุษย์ไม่มีไฟที่ร้อนขนาดนั้นนี้คือลักษณะประมาณต่างๆของกรรม แล้วนะก็อย่างที่3มเนี่ยคือวิบากของกรรมนะที่จะต้องทราบวิบากของกรรมนี่ก็คือวิบากแปลว่าผลนะผลที่จะให้เกิดกรรมขึ้นสมมุติเรามีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเจตนานั้นจะต้องให้ผลฟันธง <Okay. S 1> เจตนานั้นจะให้ผลในลักษณะไหนนะให้ผลในการที่จะไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างอย่างนี้มีเพราะฉะนั้นะถ้าเจตนาดีนะเจตนาเป็นกุศลนะจะเป็นไปเพื่อมนุษย์ขึ้นไป ถ้าเจตนาเป็นอกุศลและเป็นเจตนาไม่ดีก็จะเป็นตั้งแต่มนุษย์ลงไปก็คือเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างอย่างนี้นะใช่ค่ะทีนี้เราพอจะทราบเรื่องตรงนี้เรื่องกรรมนิดหนึ่งจึงจะต้องทําความเข้าใจในขั้นต่อไปว่าแล้วในเรื่องที่เราขับรถชนหมาหมากระเพกใบนะอันนี้ไม่เป็นเราไม่ได้เจตนาถามว่าเป็นกรรมไหมจะได้รับผลไหมต้องถามอย่างนี้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการเบียดเบียนถูกต้อง ใช่ไหมขับรถชนเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาการเบียดเบียนเขาแต่ว่าวเขาขาหาักไหมขาหักนะชนเขาจริงไหมชนจริงนผลเกิดขึ้นแล้วนะผลเกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้ น, น, <ร> น, เ, นเนี่ยไปเป็นผัสสะของสุนัขตัวนั้นผัสสะที่เกิดขึ้นของสุนัขตัวนั้นเนี่ยมันก็คือเกิดที่ผัสสะของสุนัขตัวนั้นใช่ไหมเวล า, วาเกิดผัสสะขึ้นแล้วเนี่ยจะเกิด อ, อะไรขึ้นเกิดผัสสะขึ้นแล้วสุนัขตัวนั้นก็จะต้องสร้างกรรมนะเขาจะมีเจตนายังไงล่ะ สุนัขตัวนั้นอาจจะมีเจตนาในการาให้อาภายัยมีเจตนาผูกโกรธมีเจตนาสมน้าหน้าหัวเราะเยาะได้ทั้งนั้นอยู่ที่สุนัขตัวนั้นนนะแต่ว่ากรรมที่เจตนาเกิดขึ้นจากเจตนาของเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลเกิดจากกรรมนั้นจะไม่ได้รับผลแต่แต่ถ้าสุนัขตัวนั้นเขาผูกโกรธนะแล้วเขาเกิดมาใหม่มาทําอะไรเราอันนี้เราก็ต้องรับนะจะเป็นภัตตาของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ า, าจึงบอกว่า บุคคลทำกรรมชนิดใดไว้เนี่ยจะได้รับกรรมอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยคำพูดนี้ไม่ถูกนีถ้าทำถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยการประพฤติประมจาจันจะมีไม่ได้การทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบจะไม่ปรากฏหมายความว่าทำกรรมอย่างใดไปใช่ไหมจะได้รับกรรมอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าสมมุติอัลมาไปแทงเขาทีหนึง่งอัลมาจะต้องถูกเขาแทงทีหนึง่งจะไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่เป็นยังไงพ <c oughs> รุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอทำกรรมใดๆไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นผลของกรรมนั้น อย่างเช่นว่าเราไปแทงเขาทีหนึ่งเนี่ยนะ<ช>ผลของการฆ่าสัตว์เนี่ยจะทําให้อายุสั้นเพราะฉะนั้นผลที่เราจะได้รับเนี่ยไม่ใช่ถูกแทงทีกลับทีหนึ่งนะแต่จะเป็นการที่อายุสั้นอย่างนี้เป็นต้นช่องทางตรงนี้จะทาที่สุดแห่งทุกได้ในอย่างสมมุติว่าคนมาด่าเรามาว่าเรามาทําให้เราเจ็บแค้นน้ําใจเอะอันนี้เป็นกรรมของเราหรือเปล่า บางคนบอกว่าในกรรมของฉันมาเป็นอย่างงี้แหละฉันมันบุญน้อยวาสนาน้อยโดนเขาขันแกล้งโดนเขาทุบเขาตีเงินก็น้อย ช, ชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้จบเลยนะ<ช>แล้วเขาจะ<ช>ทําอะไรอะ<ช>่ะเขาก็จะไม่มีเจตนาในการทําชีวิตให้ดีขึ้นนะคุณตือนใจเขาก็จะก้มหน้ารับกรรมไปที่คิดว่าตัวเองมีกรรมเป็นอย่างนี้<ช>แล้วการ<ช>ทําที่สุดแห่งทุกมันจะเป็นไปได้ไงนะการประพฤติพรหมจรรย์มันจะมีไม่ได้คนเรามันจะดีขึ้นมาไม่ได้ ทำไมคนที่ไปเกิดบ้านนอกคอกนาอย่างเงี้ยฝ่าฟันสู้ชีวิตขึ้นมาเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนักการเมืองมีถมไปหยิบมาตรงไหนก็มีทําไมเขาทาได้เ<ช>ห็อบอกไหมเพราะว่าเขามีเจตนานในการทําอย่างนั้นเขาไม่ได้คิดว่าโอ้ฉันบุญน้อยฉันเกิดมาบ้านป่าบ้านเขาจบแล้วชีวิตฉันเอวังมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณต<ช>ระแจนึกออกไหมแต่เพราะว่าเรามีเจตนานเราตั้งใจได้ทีนี้จึงต้องทําความเข้าใจอ ย, อย่างนี้ว่าไอ้กรรมเนี่ยนะ มันเป็นผลลักษณะของผลวิบากกรรมกับกรรมนี่ก็ไม่เหมือนกันวิบากกรรมก็คือผลที่จะเกิดขึ้นจากกรรมนั้นอย่างเช่นเราบอกว่ามีคนมาด่ามาว่าเราอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกรรมของเขาคือเขามีเจตนาที่จะด่าที่จะว่าใช่ไหมเจตนาเขาเนี่ยปเป็นไปนะเพื่อการเบียดเบียนอันนี้แต่ละเขาทํากรรมชั่วกรรมชั่วที่เขาทำเนี่ยจะทําให้เ้าไปที่ไม่ดีละทีนี้ไอ้กรรมที่เขาทําสร้างเนี่ยนะมันจะมาเป็นอะไรของเรามันจะมาเป็นผัสสะของเรามันจะมากระทนะบหูเราบ้าง กระทบเนื้อเราบ้างกระทบตัวเราบ้างเราเจ็บตัวบ้างเราเจ็บหูบ้างเจ็บใจหรือเปล่าเจ็บใจหรือไม่อยู่ที่ตรงนี้จะเป็นกรรมของเราละถ้าเรามีเจตนาในการที่จะผูกโกรธตอบนะอันนี้จะเป็นกรรมของเราถ้าเรามีเจตนาในการพยาบาทอันนี้ก็จะเป็นกรรมของเราเป็นกรรมไม่ดีนะแต่ถ้าเรามีเจตนาในการมีเมตตาให้อภัยเขาอันนี้ก็จะเป็นกรรมดีของเราถ้าเรามีเจตนาในการเอาหสิกรรมเขามีอนุโมทนาเขาอันนี้ก็จะเป็นกรรมของเรากรรมดีของเราโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลามีอะไรมากระทบเนี่ยนะอาตมาจึงบอกว่าให้อาศัยโอกาสเนี่ยสร้างกรรมดีอย่าเอากรรำชั่วอของเขามาเป็นกรรมชั่วของเราด้วยเหมือนต่อเทียนนะคุณเตือนใจใเขาเอาเทียนดำดำมาต่อเราเนี่ยเราก็โง่ไปเอาเทียนดำด ำ, ดำมาต่อเขาเราเทียนเราก็ดำไปด้วยเจ่ะเอนื้อๆไหมเจคือเทียนเขาไม่ได้ดับไปนะคือเหมือนกับเทียนดำนะเทียนที่ทําให้ความสว่างหมดไปอาตมา มีจินตนาการอย่างนี้ว่ามันมีเทียนอยู่สองแบบเทียนที่ให้ความสว่างอย่างหนึ่งกับเทียนที่ให้ความมืดอย่างหนึ่งถ้าใคร <Okay. S 1> คิดตามเนี่ยนะจะมีเทียนแทนที่จุดแล้วมันจะสว่างเนี่ยจุดแล้วบริเวณรอบนั้นมันมืดไปเ <Okay. S 1> นะ น, นี่ไอ้นี่คือกรรมชั่วกรรมดำําพระเจ้าบอกกรรมดำํา <Okay. S 1> เขาเอามายื่นให้เราต่อเราก็โง่ไปต่อเขาจิตเราก็ดําไปด้วยสิใช่ไหม <Okay. S 1> เขาทําชั่วทําไม่ดีเป็นผัสสะของเราใช่ไหม <Okay. S 1> เราดันตอบเขาด้วยความชั่วความไม่ดีอันนี้ก็เป็น <Okay. S 1> บาปกรรมของเราสร้างละ มันจะยิ่งไม่ดีดังนั้ะ เ, ะเราอาศัยกรรารอาศัยการกระทบตรงเนี้ยทํากรรมดีขึ้น ท, ทันทีอย่างนี้นะเราจะไปรอดได้ช่องทางทาช่องทางในการทําที่สแสดงทุกโดยชอบเนี่ยจะปรากฏนะแล้วเราก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทําดีขึ้นมาได้ทีนี้ว่าเวลาที่คนเขามาด่าเรามาว่าเราเนี่ยเขาสร้างกรรมชั่วเราทําดีต่อไปยกตัวอย่างเลยมีในสมัยพุทธกาลก่อนพุทธกาลด้วยตอนนั้นพระุทาเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับเรื่องอตอนที่เป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วก็ไปค้าถาด ท, ทองคำคุณนนใจไปค้าถาดทองคําแล้วก็ไปซื้อถาด ท, ทองคํามาใบหนึ่งปรากฏว่าพระเทวทัตตอนนั้นเนี่ยก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันสมัยก่อนพุทธกาลนะนะเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็มีความคิดว่าจะไปซื้อถาด ท, ทองคำเนี่ยมาก่อนไปซื้อจากยายคนหนึ่งปรากฏว่าพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นเนี่ยไปดักหน้าซื้อถาด ท, ทองคํานี้มาก่อน นะคือเล่าเรื่องย่อยๆให้ฟังก่อนนะนะในราเรียมันมีเยอะอยู่ก็เล่าเรื่องย่อยๆให้ฟังตรงนี้ว่าเทวทัตก็เลยผูโกโกรธมากว่าโอ๊ยได้ยังไงฉันตั้งใจจะมาซื้อถาดใบนี้เธอได้มาตัดหน้าฉันไปนั้นเลยผูโกโกรธนะผูกกันผูกมาเป็นหลายภพหลายชาติจนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายนี้ก็ยังเอากันไม่จบสักทีเนาะกันแกล้งต่างๆนานาแล้วก็คือตรงเนี้ยเป็นเครื่องบอกให้ทราบว่ายังโพธิสัตว์ตอนนั้นเนี่ยมีเจตนาอะไร แะมีเจตนาช่วยเจ้าของถาดนะเพราะถาดนี้เป็นถาดทองคําอย่างดีแต่ว่าเทวทัตเนี่ยดันไปหลอกว่าเป็นถาดไม่มีมูลค่าไม่มีราคาอะไรเจ้าค่ะแะมีเจตนาดีแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะเบิดเบียนเทวทัตด้วยในชาตินั้นแต่เทวทัตเนี่ยเกิดผัสสะขึ้นจากการที่โพธิสัตว์เนี่ยไปซื้อแฉทองคําก่อนแล้วก็เลยผูกโกรธและเป็นกรรมของเทวทัตอันนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโทษของสังสารวัตคุณเตือนใจ เรานะเจตนาดีดีเจตนาดีเป็นคนดีไม่เคยเบียดเบียนใครเป็นพ่อพระแม่พร ะ, พระทำความดีตลอดนานาทำไมฉันถูกขันแกรตลอดเลยวะอืมเชฟค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าจะเป็นจากกรรมเก่าใช่หมเ้าคะนี่ไงถ้าคนเชื่อบอกว่าเป็นเฉพาะกรรมเก่านะคุณจ ะ, ะไม่ทำอะไรอย่างที่อาตามายกตัวอย่างว่าคนบ้านไร่ไปลายนาะอยู่ เป็นคนจนอย่างเงี้ยถ้าเขาเชื่อว่าอันนี้เป็นกรรมเก่าของเขาจะไม่ทําอะไรคุณเตือนใจนึกออกไหมเขาจะไม่สู้ ช, ชีวิตเขาจะมายอมรับว่าชีวิตฉันก็เป็นอย่างนี้ฉันเรียนเลขไม่เก่งฉันจะภาษาไม่เก่งฉันก็เป็นคนอย่างเงี้ยเป็นกรรมพันแม่ให้มาอา้าวไปโทษแม่อีกนั้นไม่ใช่ใชนึกออกไหมถ้าเรากล่าวว่าสุขทุกข์ที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าอย่างเดียวแม่ผิดผท้เรียไม่เคยสอนผู้เรียนม่ให้เชื่อกรรมเก่าในลักษณะนี้แต่ให้เชื่อว่าวิบากของกรรมมีวิบากของกรรมมี ไอ้ที่เราถูกดา่าถูกว่าถูกทําอย่างนี้อาจจะไม่ใช่กรรมของเราก็ได้นะนึกออกไหมในเมื่อเราไม่ เ, มเคยเบียดเบียนใครมาก่อนอะหรืออาจจ ช, ชาติที่แล้วเราอาจจะเบียดเบียนก็ไม่รู้ละ่ะแต่สมมุติว่าไม่ได้ทําสมมตินะสมมติแล้วทําไมมันเกิดอ่ะดูอย่างพธธระริสานเอาพระพุทธเจ้าเนี่ยทําความดีมาตลอดยังถูกนางจินจัมมารวิกามาชี้หน้าดา่าอันนี้เป็นกรรมพระเจ้าไหมไม่รู้นะคนที่รู้ก็จะรู้ล่ะคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้แล้วเป็นยังไงมันอาจจะไม่ใช่กรรมก็ได้ มันอาจจะมาเป็นเครื่องทดสอบความมั่นใจของเราความตั้งมั่นของเราจิตที่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของเราก็ได้เจเิงไหมเพราะฉะนั้นเราฉวยโอกาสทุกโอกาสในการที่จะทําจิตเราให้สูงขึ้นดีขึ้นเป็นคนดีมากขึ้นด้วยการกระทําระบบของกรรมตรงนี้เจ้าช่องมันพอมีอยู่ไงนะถ้าผมว่าเราคือคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าเออเขาทํานี้มาฉันต้องทําตอบทำนี้มาฉันต้องทําตอบ ฉันต้องตอบตอบอคือเธอทํามาฉัน2ทีฉันตอบเธอไปสามทีเธอทำมาฉัน10ทีฉันตอบไป20บทีอย่างเงี้ยมันไม่จบนะมันไม่จบแต่ช่องทางทําที่สุดของทุกมันมีได้ด้วยการที่ว่าเอ้ยเรานิ่งอยู่เราสบายใจอยู่เราตอบสนองแทนที่เราจะตอบด้วยความเขาด่าเรามาใช่ไหมเราด่ากลับเขาเป็น2เท่าเราก็ชมเขากลับก็ได้อยู่เฉยๆก็ได้เราดีกว่าเพราะเรามีทางเลือกได้ อันนี้ยคือเรามีช่องทางทําที่สุดแห่งทุกได้นี่คือสิ่งที่พู้เจ้าสอนว่าแทนที่เราจะตอบสนองด้วยเป็นไปตามอํานาจของกิเลสนะเป็นไปตามอํานาจของนิสัยที่เราเคยเป็นมาเราก็เปลี่ยนได้นี่ยคนเราเปลี่ยนได้นะมีกรรมเป็นเผ่าพันไงมีกรรมเป็ น, ปนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมีกรรมเป็นกําเนิดนะกรรมคือเจตนาของเราเข้าใจไหมเป็นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้อย่างนี้เนี่ย เราจะสบายใจได้เลยว่าโอ้ทางออกมันมีอยู่เราไม่จําเป็นต้องเป็นาธาตุของจิตที่ต้องตอบสนองอย่างที่เราเป็นเราเลือกได้เนาะเลือกที่จะโตูต้ตอไปในทางที่ก็คืออย่างเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะเจ้าคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดากับอสูรเนี่ยก็คือเราจะต้องมีธรรมะคุม้มครองจิตใจของเราไว้ก็ได้ ช, ชื่อว่าเราเป็นผู้มีกําลังคือมีกําลังจิตที่ดีแม้ว่าใครจะมาทําให้ดีกับเรานี้เราก็ ยังสามารถนิ่งอยู่ได้แล้วก็มีธรรมะอยู่ในใจนะเจ้าคใช่ใชอันนี้คล้ายคลึงกันเลยใช่ไหมเจ้าคะก็คือเป็นเรื่องที่สนับสนุนสอดคล้องกันเจ้าค่ะคือธรรมะพรพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าตั้งแต่คือราตรีที่ตรัสรู้จนถึงราตรีที่ปรินิพานเนี่ยคำของเรา<จ>ไม่ขัดแย้งกันจ ะ, ะหยิบเรื่องไหนขึ้นมาเนี่ยมันสอดคล้องเป็นอันเดียวกันไปหมดอย่างเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องความอดทนใช่ไหมมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องกรรมที่อธิบายในวันนี้อย่างเงี้ยนะแล้วก็เรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่อย่างเงี้ย ถ้าบางคนจะไปเชื่ออย่างเดียวว่ า, าชีวิตฉันเป็นเพราะกรรมเก่ามันผู้นี้ไม่ถูกยอย่าไปเชื่ออย่างนั้นนะให้เราตั้งใจทําความดีต่อไปมีเจตนาที่ดีสร้างกรรมดีต่อไปเรามีกรรมเป็นกําเนิดได้เป็นทา ย, ย, ยาทแห่งกรรมได้อย่างนี้นะเจ้าค่ะและอีกประการหนึ่งที่บอกว่ากรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและประนีได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงอันนี้หมายถึงอย่างนี้นะมีขราบดีท่านหนึ่งนะเข้าไปถาม พระพุทธเจ้านะพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมบางคนเกิดมาจนบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมามีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงบางคนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรเจค่ะนะทำไมบางคนอย่างนี้เกิดมาคลอดออกจากท้องแม่มาพร้อมๆกันเป็นฝาแฝดอย่างเงี้ยคนนึงนะเก่งเลขจริงๆแลยอีกคนนึงเก่งภาษาไปคนละทางนู่นคนนึงรวยล้นฟ้นฟ้าขึ้นมาอีกคนนึงเป็นหนี้เต็มที่ก็มีนะเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไร <Okay. S 2> พระเจ้าก็เลยพูดถึงเรื่องกรรมนะพูดถึงเรื่องกรรมในนี้ก็เลยห้อยท้ายไว้ว่ากรรมเนี่ยย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตตรงนี้ไง <Okay. S 2> ก็เพราะว่าพูดถึงบางคนเนี่ยฆ่าสัตว์มากนะมีใจเหี้ยมโหดมักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นในการประหัรประหารพวกนี้นะตายไปนี่รอรอเข้าถึงรกกาเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้า <Okay. S 2> ไม่ถ้าภายหลังหลุดออกมาได้หรือว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภายหลังเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีอายุสั้น ส่วนคนที่มีอายุยืนเนี่ยเพราะว่าเข า, เาไม่ทําชีวิตสัตว์ให้ตกลุ่มงลงไปนะเป็นคนที่มีใจเอ็นดูเกื้อกูลนะเห็นความเกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นคน จ, จิตใจอ่อนโยนอย่างนี้เขาก็จะไปเกิดเป็นเทวดาหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนนะพรุทธเจ้าพูดถึงตรงนี้รายละเลอียดเยอะมาก จ, จะมีทั้งเรื่องของความที่มีโรคน้อยหรือว่าป่วยมากก็เพราะว่าความที่ไปเบียดเบียนสัตว์ ถ้าไปบิเบียนสัตว์ด้วยก้อนดินท่อนไม้หรือสัตราเนี่ยก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีอายุสั้นแล้วถ้าใครใคเป็นคนขี้มักโกรดนะแค้นเคืองเห็นอะไรก็มีปัญหากโกรธเขาอยู่เรื่อยถูกว่าเล็กน้อยก็กรธเคืองพยาบาทผู้นี้จะทำให้เป็นไปเพื่อความมีผิวไม่งามอืมเจ้าค่ะอะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่มุ่งร้ายริษยาปูกโกรธอิจฉาคนอื่นในความที่เขามี รับสักการะมีความเคารพนับถือกลับบ้ายพวกนี้พวกนี้จะทำให้เป็นคนที่เกิดใหม่ในตระกูลต่ำนะแล้วก็ไม่ดีแล้วอีก <Okay. S 1> ประการหนึ่งก็คือถ้าใครเป็นคนขี้เหนียวนะขี้เหนียวเพราะว่าไม่ให้ทานนะเพราะความที่ไม่รู้จักสละของที่ตัวเองมี <Okay. S 1> แล้วก็อีกประการหนึ่งคือคนที่ไม่ได้รับการสักการะคือไม่มีคนเคารพอ่า <Okay. S 1> ไม่มีคน น, นอบนอบอ่อนน้อมทำตนด้วยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นคนที่เย่อหยิงนะไม่ก้มกราบไหว้บุคคลที่ควรกราบไหว่อย่างเงี้ยนะเป็นคนจองหอง <Okay. S 1> พวกนี้ก็จะทําให้เขาไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญไม่มีศักดาใหญ่ <Okay. S 1> อืแล้วอีกประการหนึ่งคือคนที่ไม่มีปัญญาก็คือคนที่ไม่รู้จักเข้าไปสอบถามปัญหากับสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่มีความรู้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะ <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นการแยกสัตว์ให้ซามหรือประณีตได้ <Okay. S 1> ลักษณะนี้ <Okay. S 1> อม่ะค่ะ ก็กล่าวโดยสรุปได้ว่ากรรมก็กรรมก็คือการกระทําอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะกรรมกรรมคือสิ่งที่เรากระทำเจตนาใช่เจตนาทางกายวาจาหรือใจเจ้าค่ะที่เราจะดาเนินการหรือว่ากระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะเจ้าค่ะถ้าเราทํากรรมดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบกลับถูกไหมเจ้าค่ะถ้าเรามีเจตนาที่ไม่ดีไปบียดเบียนคนอื่นเขานี่มันก็จะได้รับผลกรรมทั้ง ในชาตินี้แล้วก็ในชาติถัดไปด้วยอย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเ จ, าจา้าคะที่อาจมาตรงนี้นิดหนึ่งที่อาจมาต้องพูดถึงว่าการกระทํากับเจตนาเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าในทางกฎหมายทางศาลอย่างเงี้ยสมมุติบุคคลที่ฆ่าคนโดยไม่เจตนาอย่างเงี้ยนะข้จจจะอจบว่าการกระทํานี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะคือบุคคลได้ตายขึ้นมีการเกิดขึ้นมีการกระทําเกิดขึ้น okay. แต่เป็นการกระทําที่ไม่ได้เจตนาอย่างเงี้ยก็จะมีการลดหย่อนผ่นโทษ ต, ตามาระบบของศาลเข้าเหมือนกันเรื่เจตนากับการกระทำอะไรต่างมันจะมีความ ไม่เหมือนกันอยู่นิดนึงอย่างนี้เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ เ, เ, หเหลือเวลาอยู่ประมาณสองนาทีน ะ, จะจเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมเลยอยากจะกราบน้อมาสการให้พระอาจารย์ได้เมตตาสรุปที่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมในวันนี้นะเจ้าค่ะที่เราสนทนากันเจ้าค่ะมีมนต์เจ้าก็จึงต้องยืนยันในวุทิวจนะที่คุณเตือนใจพูดมาตั้งแต่ตอนแรกนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนนะคือเจตนาเนี่ยเป็นของเราเป็นทายาทแห่งเจตนาของเรา มีเจตนาเราเป็นเครื่องกําเนิดมีเจตนาเราเป็นเผ่าพันธ์มีเจตนาเป็นที่พึ่งอาศัยเจตนาของเรานี่แหละย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีดได้ดังนี้เจค่ะ<ม>ก็คือเราจะเป็นคนดีหรือคนเลวนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เจตนาในการการะทําต่างๆของเราด้วยใช่ไหมเจ้าคะ่ะต้องเพลงเลยอ่าทุกเจ้าค<ม>่ะอ่าท่านผู้ฟังคะเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พิบุร์ณพิปุรโนนะคะซึ่งท่านก็เป็นผู้มีการหลักสูตรอ่าที่จะฝึกอบรมธรรมะ ตามพุทธโอษที่วัดป่าดอนหโศกนะคะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิดโอภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะทุกๆเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้มารับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโท่านได้เมตตาที่จะสาธกช้าหรือว่าพูดคุยสนทนาหัวข้อธรรมะดีๆให้ทุกผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะ สำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะซึ่งพระอาจารย์ไพบุลอภิปุนโนท่านก็จะได้เมตตาที่จะนําพระคถาธรรมดีๆมาฝากกันอีกเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่สองตุลาคมนี้เรามากราบนมสการขอพระคุณและกลราบลาพระอาจารย์ไพบุลอภิปุนโนและพระฤาษีพิคุลหลวงพ่อดรสอาดที่โตภาสสุพร้อมกันนะเจ้าคะ่ะกราบนมสการเจ้าค่ะเรียนพรอ